เ, เ, ใใดเดี๋ยวเราก็สู่เคสตี้กันเลยเจ้า ลูกเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยเข้าห้องเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมาไกลเดียววันนี้หลายๆประเทศส่งมากันทำไม่ทันเลยคราวหน้าสงสัยจะไปจีนมึง้งโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลย กจะติดตั้งดาวธรรมือเดินสิงหาคม2548ที่ผ่านมาหลังจากติดใจแล้วก็ติดใจลูดีดูดาวธรรมทุกวันขาดการดูดาวธรรมไม่ได้เลยค่ะเหมือนขาดอากาศหายใจลูกจึงอยากเร่งสร้างบรมีกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างสุดกำลังลูดีทำบุญทุกบุญและก็ตั้งใจ ทำบุญกฐินปี2549ด้วยอีกหนึ่งกอง<า>ว่นเป็นการบูชาทำครูไม่ใหญ่ลูกรักครูไม่ใหญ่จังเลยค่ะลูกขออธิษฐานเจตจำนงครูไม่ใหญ่มีอายุวันาสุขาพพอะ<า>ดีมาอเงินแ<า>ข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่์ลมใสกับพวกเราไปนานๆนะคะ<า>แต่ลูกขอากลาบเล่าเรื่องราของลูกดังนี้ค่ะ บางทีถ้าแม่บ้านเจอเพ่อบ้านไม่ยิ้มนนะเมื่อคืนนี้ก็บอกยิ้มยากจริงๆเขายิ้มเราไม่ยากแต่เขายังไม่อยากจะยิ้มเราอยู่นอกยิ้มมาเยอะแล้วเนี่ยอยู่บ้านก็อยากจะทำหน้าเฉยๆบึงนิ่งๆพักการยิ้มมึงเออแม่บ้านมาเห็นเาบอกยิ้มยากถ้าเห็นเขายิ้มยากแม่บ้านก็ต้อง จุดไฟในตัวเขาให้อเอลอล้วก็ส่งยิ้มกอนอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยโดยย่อป่านนียิ้มกันละมั้งคุณแม่ของลูกเกิดในครอบครวัวฐานะปานกลางมีอาชีพทําสวนชอบทําบุญตามประเพณีเช่นทอดกระถินทอดปลาป่าคุณแม่ไม่ชอบสูบบุหรี่ไม่ชอบเหล้า แต่เป็นคอนขี้โมโหท่านไปชอบไปหมดรวมทั้งเพื่อนบ้าน <c oughs> เพราะเพื่อนบ้านชอบมาชวนพ่อไปดื่มเหล้าเป็นประจำะมีเหตุผลคุณแม่เสียชีวิตไปก่อนคุณพ่อเพราะเดินลื่นล้มศิสะกระแทกกับขอนไม้เมื่อยุติดบปีคุณพ่ อ, องรงลูกมีอาชีพทำสวนได้ทำมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยความขยันแข็งข ทำให้แม่คุณพ่อจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็นสามารถแต่งตัวได้ค่ะในยามปะกะติคุณพ่อจะเป็นพ่อที่ดีมากเป็นประดุพ่อพระนี่ยามปะกะตินะจ๊ะจะเป็นพ่อพระของลูกเพราะท่านจะคอยตื่นแต่เช้ามืดลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลาให้ลูกลูกไปทานที่โรงเรียนเป็นประจำทำให้ครอบครัวลูกมีความสุขมาก แต่พ่องลูกจะเปลี่ยนจากพ่อพระธรรมดากลายมาเป็นพ่อพระเพลิงในทุกครั้งที่ท่านดื่มเหล้าที่ครูไม่ใหญ่ยังชอบโอมานเลยประเทศนี้ไม่อนุญาตในมีการผลิตเหล้าในประเทศดีมากเลยเปรมืองไทยะทําทำได้งี้นะ ทุกครที่ท่านดิมเล้ า, จ, ากกจะกจะกลายเป็นพ่อพระเพลิงพระพอท่านเมาได้ที่มาไรท่านก็นจะชอบมาทุบตีแม่หาคู่ซ้อมเราจะนั้นยังไม่พอยังชอบทุบตีม่อหายอีกต้องซื้อมาให่เรื่อยๆกเขาสแตลเลสซะก็หมดเรื่องหากลูกกับพี่ๆนําไปซ่อนไม่ทันหรือซ่อนทันแต่ท่านหาเจอ ท่านก็นจะให้ความพยายามมีความเพียรเป็นเลิศในการหามตีในยามเมาเอาก็ยังดีก็ตีแม่น่ะคุณพ่อจะใช้ด้ามไม้ใหญ่ๆทุบตีแตกหมดทุกใบเลยนี่ชอบฟังเสียงมันดังโพล่แล้วก็ชอบเห็นการแตกละเอียด ชอบดูเวลามันล่มสลายไม่รวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดสอบคุณพ่อลูกเกิดมาตั้งชีวิตไม่เคยทำบุญเลยพ่อไม่ชอบไปวัดทันให้เหตุผลว่าเพราะว่าพระไม่ทำงานเพราะพระทำงาน ของพระคือท่านห้ามไม่ให้พ่อดื่มเหล้าอเออเจ้า<อ>ท่านจึงไม่ยอมไปวัดอีกเลยค่ะเ<อ>มื่อคุณพ่อมีอายุดได้83ดสบสาปีอยู่ๆก็เดินไม่ได้คุณพ่อก็บอกก่าท่านแก่แล้วคนแก่เส้นไม่ยืดเส้นมันยึดต่อมาก็มีอาการประหลาดเกิดขึ้นกับท่านคือพ่อมีอาการตา เขียวตาขวางท้องแข็งไม่มองหน้าคนเสียงที่พ่อพูดมัก็เป็นเสียงของแม่สำใั้คนในหมู่บ้านมามุงดูกันใหญ่จึงไปถามคุณหมอถามคุณหมอสายเวทว่าเป็นใครหมอสายเวทก็ตอบว่า ก็จะใครล่ะก็เมียมันน่ะสิหมอสเวทพูดแล้วก็พ่นน้ำมนต์อะไรผีแม่ออกก็ทำไมฉีดไปเลยหมดแค่พ่นนั้นผีแม่ก็ไม่ออกเพราะผีแม่ดื้อดื้อน้ำมนต์แม่ติดสิงอยู่ล่างพ่อก็บอกว่ากูจะเอามันตัวมันไปอยู่ด้วยตอนมีชีวิตมันชอบทุกตีกู กงรักกันมากทุกคนเลยเชื่อกันหาพ่อพาไปถวายสังฆทานที่ทวัดพอถวายสังฆท า, านเสร็จพ่อก็สลบหมดสตินอนอ้าปากค้างพอฟื้นกันมาท้องของท่านที่เคยแข็งก็กลับนิ่มเหมือนเดิมและยิ่งไปดานกั น, นพ่อหาจากเส้นยึดกลับมาเดินได้เป็นปกติค่ะนี่เห็นไหมล่ะต้องมาถวายสังฆทานพิส า, า, านคนที่สองของลูก แต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกพอมีอยุดิในห้าสิบปีพี่สาวก็ป่วยอดอดๆ ด, ดแอดแอเรียกว่าได้ดป่วยตลอดทั้งปีต้องหาหมอตามคลินิกบ่อยมากเรียกว่าเป็นราชินีคลินิกทีเดียวแหละทาให้มีชีวิตที่ลำบากมาตลอดพี่สาวคนนี้มักจะมีประสบการณ์ปแปลกๆเสมอเช่นเมื่อคุณแม่ตายแล้วได้แดปี ตอนกลางคืนพี่สามักจะนอนไม่ค่อยจะหลับได้ยินแต่เสียงร้องโหยหวนร้องว่าหิวจังเลยช่วยด้วยบางครั้งรู้สึกเหมือนผีเข้าพี่สาวแต่จะมีความรู้สึกว่ามีหนอนมาชัยตั้งแต่ปลายเท้าชัยไปทั่วทั้งตัว รู้สึกเหมืนถูกบีบหัวใจอย่างแรงทรมานมากแต่ก็ยังมีสติรู้ตัวอยู่หมอสายเวทแถวบ้านบอกว่าส่วนปลายเท้าเป็นส่วนที่โซการปกติสุดผีจะเข้าจากทางนี้พิสาจึงนึกถึงกรถาที่ตัวลูกให้พีสาท่องไว้บ่อยๆพิสาก็ท่องตามพอทั้งเดินสักพักก็ดียินเสียงอู้อีอยู่ข้างหูว่ามึงจะมาท่องคํานี้กูไม่ชอบแล้วผีก็พยายามออก พิสาจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการนึกถึงพระเด็จคุณหลวงปู่ให้ช่วยอาการเหล่านั้นจึงหายไปพอผีออกไปพี่สาก็รู้สึกคอแห้งมากต้องเรียกหาน้ํามาดื่มครั้งหนึ่งพิสาได้ถือถาดอาหารจะไปไว้สารพระภูมิระหว่างเดินไปก็รู้สึกว่าถาดที่ถืออยู่นั้นมันมีน้ําหนักหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีตัวอะไรขึ้นมากินข้าอยู่ที่ถาดที่พิสาถืออยู่จนถือไม่ไหว ทำให้ถาดข้าวล่นลงกับพื้นหนาวลดสิอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันนั่นเองผีสาที่เห็นเงาดํำๆพร้อมกับเสียงของแม่พูดที่ข้างหู ว, ว่าพวกมึงไม่เคยตายไม่รู้หรอกปะครูหิวแค่ไหนออมึงอยาให้คูไปเกิดแต่คูยังไปเกิดไม่ได้ร้อยมึงสร้างองค์พระไอ้คูก่อนนะอสร้างสักแสนองค์เลยสิ กูจะนั่งรอบุญอยู่หวนอนมึงนี่แหละอืลูกทราบเรื่องแม่จากพี่สาวจึงสงวนแม่พี่สาวพื่ให้นําไปสร้างมาทำกายประจำตัวที่วัดปรมกายแต่เนื่องจากพี่สาวไปวัดรรมกายไม่ถูกจึงได้ไปสร้างองค์พระที่วัดใกล้บ้านแทนตามว่าพี่สาวแล้วพี่เคยฝันว่าแม่มานอนแทรกอยู่ตรงกลางที่เคยก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ลำบากอยู่หรือเปล่าฝันนะฝันแม่บอกว่าไม่ลำบากแล้วชื่นใจแล้วเกินลูกหลานทําบุญไปให้วันพระวันโกนก็ไปทําบุญกันบ้างนะวันนี้วันพระก็ให้ไปทําบุญเงินนี่ต้องให้ผีบอกแต่พระบอกเมื่อก็อนจะเชื่อส่วนตัวลูกไปทำบุญเสาแก้ที่สูญปฏิบัติธรรมตเกียวและอุทิศบุญไปให้แม่สองวันตา ม, มากระฝันเห็นแม่ใส่ชุดราตรีสีชมพู มีเพชรประดับเหมือนก็นจะไปกินเลี้ยงหน้าตามแม่สวยเหมือนเพิ่งอายุ30ปี <c oughs> แม่มาบอกว่าตอนนี้แม่ไม่ลำบากแล้วสำหรับตัวลูกซึ่งเป็นลูกคนที่สามจากปนอนทั้งหมด4ี่คนตอนที่ลูกอายุส5บปีลูกได้๋นี้ออกจากบ้านไปกรุงเทพเพราะเบื่อพ่อขี้เมานี่พี่เจ้าปัญหาสังคมเกิดแล้วเพราะความเมาไปทั้งที่ไม่รู้จักใครเลยคิดแต่ว่าอยากจะหนีนรกบนดินไปให้พ้น พอมาถึงก็ไปเรียนเสริมสวยในทำงานกินนอนอยู่ที่ร้านระหว่างนั้นก็หาเวลาเรียนศึกษาผู้ใหญ่และภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันต่อมาลูกก็เด็กพบกับสามีคนแรกโดยที่ลูกเป็นคนไปจีบเขาเองตอนนั้นลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะกระจีไปด้วยความขนงอีกอย่างสามีเขาก็น่าตาดีเป็นพ่อค้าหมู ลูกก็พูดจีไปเรื่อยเปลยว่าแต่งงานกันไม่ล่ะพูดเรื่อยเปลยแต่เขาเอาจริงลูกก็เลยตั้งตกกระไดพอโจนอยู่กินกันเฉยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกเดียวกันหนึ่งคนแต่ต่อมาลูกหน้าสว่างขึ้น <S <S จึงเห็นว่าสามีคนนี้ไม่ช่วยทำมาหากินปล่อยลูกเป็นคนหาอยู่คนเดียวแต่เขามาช่วยกินแถมจะชู้มีเมียมากหลายคน พอลูกได้คิดลูกก็เลยคิดได้จึงปิดบัญชีเลิกกับสามีคนนี้ส่วนลูกชายซึ่งตอนนั้นมีอายุได้ห น, หนึ่งขวบก็ยกให้สามีเป็นคนเลี้ยงไปปกติลูกจะตักบาททุกวันอย่างน้อยวันละยี่สิบบาทเพราะคิดว่าไม่ว่าจะจนอย่างไรก็ต้องทำบุญอืมถูกหลักวิชาจะ้ะพอทำบุญแล้วลูกอธิษฐานขอให้พ้นจากชีวิตที่ลาบากนี้อจะเจอสามีดีด เ้าเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก็ไม่เป็นไรขอใจตรงกันก็อยู่ด้วยกันได้และแล้วคาปฏิฐานก็เป็นจริงค่ะหลังจากแยกทางกับสามีคนแรกได้ย0่ปีลูกก็เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นทำงานทุกอย่างในร้านอาหารแห่งหนึ่งวัละเจ็ดชั่วโมงแต่ลูกก็ยังหาเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษให้ปปด้วย พอรูู้ภาษาได้จึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นแคชเชียร์ของร้านทำหน้าที่คิดเงินลูกค้ายุตอมาเพื่อทิ่ทำงานด้วยกันมากาศิบว่าลูกค้าฝรั่งคนนี้ยังเป็นคนโสดไ <Yeah. S 1> ม่เคยแต่งงานมาก่อนเลยลูกก็ไม่รอช้าโดยลูกก็ไปจีบเขาก่อนตามเคย แล้วลูกวชวนเขาคุยโดยถามว่าเป็นคนที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วหรือยังเธอยังไม่แต่งงานใช่ไหมเขาตอบว่ายังไม่ได้แต่งงานลราก็เลยใช้คําถามไม้ตายว่าเธอมาแต่งงานกันใช่ไหมล่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบตกลงทันทีเราใช้เวลาดูแจกันเวลาสปีถึงแต่งงานกันสามีของลูกเป็นคนอเมริกันรัฐโวจิเนีย ไม่เคยมีภริยายมา ก, ก่อนนับถือศาสนาคริสต์และชอบทําบุญสงเคราะห์โลกประเภทบริจาคสิ่งของแล้วของที่จะให้ก็จะต้องเป็นของซื้อใหม่จากห้างสรรพสินค้าทุกครั้ง<อ>ทําบุญถูกหลักวิชาเนะีเมื่อลูกทำบุญลูกก็จะเขียนชื่อเขาด้วยเขาก็จะดีใจมากแล้วก็ให้งานลูกมาทําบุญเพิ่มอีกลาสุสดิทำบุญเศรษฐีถาวรวิชาทำเงินครูไม่ใหญ่ ลูกนำแบนโโมธนาบัตรซึ่งมีชื่อสามีเป็นคนทำบุญด้วยเนี่ยไปให้สามีดูสามีดีใจมากถึงก็เก็บแบนโโมธนาบัตรไว้ในกระเป๋าตังค์เขาเองติดตัวตลอดเวลาเลยลูกชายลูกจะเกิดจากสามีคนแรกเขาอยู่กับคุณพ่อของเขาที่เมืองไทยมา่อขึ้นมาก็คบกับคนพานติดยาเสพติดลูกส่งเงินให้เขาใช้เดือนละหลายหมื่นบาทเป็นเงินข้าเทอมของเขา แต่เขาไได้เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเลยกับอภิปเสพยาแทนแถมยังไปรับจ้างหิวถุงยาเสพติดจนถูกตำรวจจับลูกก็ได้ใช้เงินของสามีปัจจุบันเป็นแสนเพื่อไปสู้คดีซึ่งบอกกับสามีว่าจะหาเงินาไปใช้หนี้บ้านที่เมืองไทยสามีเชื่อลูกจึงให้เงินลูกมาหลังจากสู้คดีกันแล้วทาให้ลูกชายลูกติดคุกเพียงสามปีเท่านั้น พอจะคุกลูกชายก็มาบวชอยู่สองมรษาที่วัดแถวบ้านระหว่างบวชเพื่อนติดติยา ก, ก็ยังอาญามาให้เสพ <Yeah. S 1> ให้มันได้อย่างนี้สิ oh. จังเจ้าวาดจับได้แต่ท่านก็นให้โอกาสแก้ตัวจารบ้นได้ลาสิกขาออกมาแล้วค่ะอย่างนี้ขาดทุน <Yeah. S 1> คำถาม บ, บุกรรมใดคุณแม่จึงลื่นล้มศีรษะกระแทกกับขอนไม้เสียชีวิตก่อนตายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหน ลูกทำบุญไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และก็มีข้อความฝากมาถึงลูกไหมคะบุพกรรมใดคุณพ่อจึงเดินไม่ได้หยุดช่วงหนึ่งและหายได้เพราะบุญถวายสังฆทานในครั้งนั้นใช่ไหมคะทำไมใช่เป็นเพราะเหตุใดที่ทำให้ท่านเดินได้คะเกี่ยวกับเนื่องกับที่คุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่ อ, อหรือไม่ช่วยกันจำคำถามนี้เลยจ้าคุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อจริงหรือเปล่าคะ แต่ไม่จริงเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคะการที่พิษสาวได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ บ, บ่อยๆเป็นเสียงผีจริงๆหรือเปล่าคะเขาตั้งการอะไรตอนที่พีษสาวถือกับข้าจะไปไหว้ศาลพระภูมิมีผีมาลงกินกับข้า่นั้นใช่ไหมคะเงาดำๆที่พี่สาวเห็นพร้อมกับเสียงที่ได้ยินข้างหูหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนั้นใช่คุณแม่หรือเปล่าคะ เป็นเพราะกรรมอะไรทีร่สาวต้องป่วยบ่อยตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ลำเค็ญลูกเฮงเงินไปใช้เท่าไรก็หมดจะแก้ไขได้อย่างไรการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนําเงินที่สามีให้มาใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาเอาไปช่วยลูกชายที่มีคดียาเสพติดอยู่ลูกจะบาปมากไหมคะบาปจะส่งผลอย่างไร เราจะต้องทำมุ่อะไรถึงจะลบล้างบาปนี้ได้คะกรรมใดที่ทำให้ลูกไม่ได้โยร่ร่วมกันกับลูกชายบนที่ลูกชายได้บวชสองภาษาจะช่วยชีวิตเขาดีขึ้นไหมคะลูกควรจะช่วยเขาอย่างไรลูกไปกรรมอะไรถึงได้ไปเกิดในที่กันดานมีพ่อเป็นคนขี้เมามีชีวิตลําบากการศึกษาไม่สูง แต่สุดท้ายก็มีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องคนอื่นๆบุพกรรมใดลูกจังได้สามีเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาแต่ก็อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทําบุญจาต่อไปทําอย่างไรลูกจะได้เจอกับสามีดีๆคนนี้คะอืมอยากเจอกันอีก ลูกและสามีขบ้บราชการเคยสร้างบุญมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทําไมลูกจึงมาเจอหมู่คณะช้าและลูกจะมีโอกาสได้กลับตุศิบุรีวงนพิเศษไหมคะผู้ประสานงานที่คอยประกับของลูกให้สร้างบุญกับหมู่คณะโมพุธันดาที่แล้วเขาเคยสร้างบุญมีมากับหมู่คณะอย่างไรอยู่ฝ่ายไหนีนผลการปฏิบัติทำเปนอย่างไรบ้างทํลายทั้งมาเป็นผู้ประสานงานของลูกในชาตินี้คะอืม จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้พระลัภตาฟันเปนตูบินตาตื่นขึ้นม า, หาหนแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชาคุณแม่เลื่อนล้มศีษะฟาดกระขนม้เสียชีวิตเพราะกรมปาณาติบาตกาสธรรมหารเช่นทุกหัวปลาทุกหัวหมู ทั้นไดดีและปัจจุบันมาส่งผลจ้าตายแล้วยังไม่ทันตั้งตัวได้ไปเป็นพุ ม, มะเทวาที่มีบ้านซ้อนอยู่กับบ้านเดิมได้บุญที่ทําตามประเพณีมาได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ได้ไปอยู่ที่หมู่บ้านพุ ม, มะเทวะย้ายสมนโนครัวจากบ้านเดิมไปอยู่ในหมู่บ้านพุ ม, มะเทวะแต่เดิมอยู่นอก มีวิมานเป็นของตัวเองเป็นเรือนไทยใหญ่โตจ้ะท่านฟางนโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านตอนนี้ท่านยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสสาวและสวยขึ้นจ้าคุณพ่อเดินไม่ได้จุดช่วงหนึ่งตมาได้ทำสังฆทานแล้วหายได้เพราะกรรมแนอดีตในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มัดขาสัตว์ส่งขายให้เขาข่า รวมกับกรรมที่เวลาเมาและทุบตีบุตรภรรยาในปัจจุบันมาส่งผลแต่ต่อมาหายได้เพราะทําบุญสังฆทานในปัจจุบันเป็นหลักเราต้องมีบุญกล่าในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติและยารักษาโรคเป็นทานแก่เพื่อนบ้านจ้ะคุณแม่ได้มาเข้าสิงคุณพ่อนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะแม่ยังเคืองคุณพ่อที่สมัยท่านเป็นมนุษย์อยู่โดนคุณพ่อทุบตีเวลาเมา และอยู่ในช่วงที่ท่านเป็นภูมิทวาอาศัยที่บ้านอยู่ในช่วงแรกๆจ้ะพี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพี่สาวนี่เคยดื่มโซราและนับถือทรงเจ้าขาวผีมาสมงพอได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่หรือเห็นโน่นเห็นนี่แต่ความจริงไม่มีเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมเก่าบันดาลจ้ะ เนี่ยกรรมดื่มสุราการับถือเจ้าสงวิสิง์ตอนนี้เมืองไทยมีแสนตำหนักอื้มเดี๋ยวจะมีคนบ่าบาวกอดดือหึงเยอะเลยตอนที่พิสาถือกับข้าจะไปไ่ว้สารพูมิก็ไม่มีผีมารุมกินข้าวแต่เป็นอาการทางประสาทหลอนดวิบากรรมดื่มสุราและรับถือทรงเจ้าขับผีบันดาลให้เห็นหรือรู้สึกไปอย่างนั้นจ้ เงาดำๆที่เห็นพร้อมกับเสียงที่พี่สาวได้ยินข้างหูหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของอาการทางประสาทหลอนแต่คำเก่าบันดาลโอ้สัปดาห์นี้คงเป็นสัปดาห์ประสาทหลอนเนี่ย <c oughs> แต่คุณแม่ไม่ได้มารบกวนพี่สาวเลยมารบกวนเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นตอนในช่วงที่ท่านเป็นภมหเทวายอยู่ที่บ้านจ้ะพระที่ พีาบอกเห็นแม่อะไรก็ไม่ใช่แต่พ่อใช่แม่ไม่ได้เคืองลูกแต่เคืองพ่อพี่สาวป่วย บ, ยบ่อยตลอดทั้งปีและมีชีวิตลําเค็นโลกใช้เ ง, งินไปใช้เท่าไรก็หมดเพราะกําเนิดดีชอบดื่มเหล้าและก็มักเมาเหล้าเมาแล้วก็ฆ่าสัตว์เส้นผีเส้นผีบูชายัญจึงทําให้เจ็บป่วยบ่อยๆ และมีอาการทางประสาทหลอนอีกทั้งทําทานมันน้อยจึงมีชีวิตลําเข็ญแล้วก็ไม่อาจารักษาทรั์ได้ไม่ว่าลูกจะให้ไปเท่าไหร่ก็ตามจะ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้ปีสาวเลิกนับถือเจ้าทรงวีสิ่งเลิกวายสารพระภูมิอย่างเด็ดขาดและหันมานับถือพระราชนตรายอย่างเดียวรวมทั้งต้องสร้างสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนา เป็นต้นจ้ะการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนําเงินดีสามีให้ไปใช้นี่บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปใช้เกี่ยวกับว่าเรื่องคดียาเสพติดลูกชายนั้นก็ เ, เป็นกรรมมุสาซึ่งก็จะทําให้มีวิบากกรรมคือตัวลูกเองก็อาจจะถูกหลอกอย่างนี้บ้างจะแก้ไขลูกก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวัน อบากกรรมก็จะได้ตามไม่ทันจ้ะแต่อย่เพิ่งไปบอกอะไรเขาเนอะเพราะตอนนี้ใจเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวจะมีปัญหาสั่งสมบุญไปก่อนคอยวันเวลาที่เหมาะสมถึงเขาจะบอกเรื่องราความจริงเมื่อเขาไปความพร้อมแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมหรอกลูกไม่ได้โยร่วงกับลูกชายเพราะกำไรม่ของตัวลูกเอง ก็เป็นกรรมเก่าของลูกชายในอดีตที่เมื่อมีภรรยาแ ล, แล้วก็ปล่อยคนอื่นเลี้ยงดูลูกของตัวจ้ะกรรมใหม่คือลูกไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้อยู่ลูมและกรรมเก่าของลูกชายก็มีอย่างนี้ก็เลยมามีแม่ที่ปล่อยให้คนอื่นเลี้ยงดูลูกของตัวบุญที่ลูกชายบวชสองพรรษาแล้วระหว่างบวชเขาก็ยังประพฤติตัวไม่ดีบุญบวชก็ได้ไม่มากพอที่จะช่วยได้ แถมตรงข้ามเนะนี่ยยังขาดทุนอีกนอกจากเจ้าตัวกลับตัวกลับใจหักดิบจากสิ่งไม่ดีและหันมาทำความดีอย่างจริงจังบุญนี้ก็พอจะช่วยได้จ้ะลูกไปเกิดที่กันดานมีพ่อคี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องทุกคนเพราะกำเนิดดีลูกมีมณทิฐิจริงได้ไปเกิดในที่กันดาน และชอบครอบคนขี้เล่าจึงมีเชื้อดึงดดให้มีพ่อขี้เมาไม่เคยได้ทำทานชีวิตจึงลำบากไม่มีบุญได้การศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาจึงทำให้ศึกษาไม่สูงแต่ก็มีบุญในบางชาติที่ทำทานบางช่วงสม่ำเสมอและมาส่งผลให้มีชีวิตสะดวกสบายจ้าลูกได้สามีต่างชาติต่างศาสนา แต่อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกเดชทาบุญเพราะบุญที่ลูกทําในปัจจุบันลาวติฐานว่าให้ได้สามีดีเป็นหลักและลูกกับสามีคนนี้ก็เคยเป็นสามีภรรยา ก, กันมาในอดีและเคยสร้างบุญร่วมกันมาทั้งสองอย่างนี้แหละมาส่งผลจะชาติต่อไปอยากจะเจอสามีดีๆคนนี้อีก ลูกก็ต้องชวนสามีคนนี้ที่ลูกมั่นใจว่าเป็นคนดีสร้างบุญร่วมกันอีกในทุกบุญและอิธิฐานจิตให้ได้ไปเป็นสามีภรรยากันอีกจ้าแต่ก็ทุกคนเนะี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองอีกต่างหากนะก็ต้องให้ดีทีเดียวแหละเพราะแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองอิทธิฐาน ไปอยู่ร่วมกันอีกนี่เวลากรรมเก่าบันดาลสำแดงออกเราก็ก็ต้องทนกันนะอดทนดีสุดคือบวชรูปและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบรมีกบูคณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทําจึงทําให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันทิชานี้รูปมาเจอบุคคลนะจ๊เพราะเวลาจะตัดสินใจทำบุญมักจะชาอ่า ลังเลและกระทาช้าคิดดูก่อนอิทัมเดียร์อธิษฐานจิตให้ได้เจอหมู่คณะเร็วๆจ้า oh. ผู้ประสานงานที่คอยประคับประองลวยดิสรานปรามีกัหมู่คณะมาตลอดพระพุทธนรดนิผ่ายมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช oh. แล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิต oh. ได้ทําหน้าที่เผยแผ่มาบวชแล้วก็ได้ปฏิบททัติธรรมจนกระทั่งพระองค์พระภายใน อตัวร้อยกลับดุสิตบุรีได้จ้าผู้ปรสานงานท่านนี้มาบวชแล้วพุทธนนทที่แล้วก็ได้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะให้กับลูกนั่นแหละแต่ท่านบุญนี้จึงทำใมชาตินี้จึงมาทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวลูกจ้าชา น, นี้มาเจอก็แล้วกให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแลักติฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุนวิเศษเคตบ ร, รโมโพธิสัตว์ยังได้พลัดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคงสต์ ด, ดี้สั้นๆเลยจ้ะ